ที่เข้าคอร์สอยังอยู่กันไหมเป็นไงบ้างรุ่นนี้โอ้ไม่ค่อยกล้าพูดเลย <c oughs> แล้วเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะเราต้องทำด้วยตัวเองชาวพุทธเราไม่มีของฟรีหรอกไม่มีทุกอย่างอยู่ในเรื่องของกฎของกรรมใครทำคนนั้นก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ ทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นทำชั่วก็ได้รับผลของความชั่วทำดีก็ได้รับผลของความดีรักษาศีลก็ได้รับผลของศีลทำทานก็ได้รับผลของทานทำสมถะได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีทำวิปัสสนาได้ปัญญาเห็นความจริงดังนัต้องทำให้ตรงนี่ เวลาที่มรรคผลจะเกิดนะศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมงั้นเราต้องทําให้พร้อมนะท่านบอกกุศลทําให้ถึงพร้อมไม่ใช่เจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วจะบรรลุได้นะศีลก็ต้องรักษาสมาธิก็ต้องทำเพราะะนั้นถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่พร้อมไม่มีอริยามรรคเกิดขึ้นก็นต้องทํำก็ต้องทําเหตุกับผลให้ตรงกันอยากได้ผลอย่างนี้ต้องทําเหตุอย่างนี้อย่างอยากจะได้ศีลให้ใจเรามีศีลจริงๆ ต้องมีเจตนางดเบ้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาถ้าไม่มีเจตนางดเบ้นก็ไม่เรียกว่ามีศีลอย่างเด็กเล็กเกิดใหม่ๆนะเป็นชู้กับใครไม่ได้บอกไม่ประพฤติผิดในการมไม่ใช่นะมันไม่ประพฤติเพราะไม่มีความสามารถจะประพฤติหรือแก่งากเลยนะเดินยังไม่ไหวเลยก็ย่องกระแย่งนะมีชู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จัดว่าเป็นศีล ศีลหมายถึงว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นจริงๆถึงมีโอกาสทําก็ไม่ทํำผลของศีลก็มีอยู่ท่านก็สอนนะศีเลนะสุขติงยันติศีลนะมีความสุขอยู่เบื้องหน้านะศีเลนะโภคะสัมปทามีโภคะถือศีแล้วรวยได้คนไม่มีศีลไม่รวยง่ายนะอย่างกินเหล้าติดยาเสพติดคบคนไม่ดีอะไรพวกนี้นะหาเจริญยาก ฟุงเฟ้อฟุ่มเฟยนะลําบากศีลเลย น, นันี่ผู้ติยันติศีลนี่เป็นปัจจัยไปสุนิพันธ์นะอันนี้ส่งของศีลก็มนะีเราต้องรักษาศีลถึงทําผิดได้ก็ไม่ทำํำนะถึงทําผิดได้ก็ไม่ทําถูกยั่วยวนยังไงก็ไม่ทําผิดนะอย่างนี้เรียกว่ามีศีลถ้าเรามีศีลเรายัางงดงามนะมีความงามในตัวเองมีความน่าเชื่อถือมีเครดิต คนไม่มีศีลไม่มีเครดิตพอะไม่มีเครดิตนะไม่ได้รับความเชื่อถือนะโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงอะไรนี่ยากฉะั้นเราต้องมีเจตนานะงดเว้นการทําผิดทําบาปทางกายทางวาจานะต้องเจตนางดเว้นตั้งใจไว้เลยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทําผิดศีน กลางวันก่อนจะกินข้าวนะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกถ้าตั้งใจอย่างนี้เข้าไปร้านอาหารบางแห่งไม่ได้ละจะต้องไปเลือกเอาตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้ละก่อนจะนอนนะตั้งใจไว้อีกจะไม่ทำผิดศีลจำเป็นยังไงก่อนจะนอนก็ต้องตั้งใจเผื่อไม่ได้ตื่นเผื่อนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นอีกเลยไฟคลอกตายหรือเป็นโรคอะไรหัวใจวายตาย อย่างน้อยตอนก่อนจะตายเนี่ยรักษาศีลไว้ละนะมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองเราลองตั้งใจรักษาศีลไว้ละสามครั้งนะก่อนอาหารนะแถมอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนนะถ้าตั้งใจอย่างนี้นะใจเราจะคาเคล้าเคลียในธรรมะง่ายขึ้นนะมันจะมีกำลังนะทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายถ้าทุศีลสักอย่างหนึง่งอย่ามาอวดเรื่องสมาธิเลย ถ้าไม่มีศีลนะสมาธิที่เคยมีก็จะเสื่อมนะจะเสื่อมเห็นเห็นเลยมีตัวอย่างให้เห็นแต่จะเห็นหรือไม่เห็นนั้นก็สุดแต่แต่ละคนจะเห็นนะยกตัวอย่างพระเทวทัตมีสมาธินะห่อไดนะ้แปลงตัวได้ปลอมตัวเป็นเด็กได้นะทำเป็นเบบีนะ๋มามาหลอกอา ช, ชาติศัตรนะูแต่ว่าไม่ถือศีลนะในที่สุดสมาธิเสื่อมเคยห่อได้นะในที่สุดต้องให้คนหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พวกพระก็รีบมาส่งข่าวให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระเทวทัตกาลังเดินทางมาแล้วนะกำลังจะมาเฝ้าเพื่อว่าจะมาขอขมาพระพุทธเจ้าพระเจ้าาบอกมาไม่ถึงหรอกนะรเทวทัตนี่มาไม่ถึงบากมากมาไม่ถึงนะพวกพระก็คอยไปสืบนะว่าตอนนี้มาถึงประตูเมืองแล้วพระเจ้าข้ามาไม่ถึงหรอกนะตอนนี้มาถึงประตูวัดแล้วพระเจ้าค้าไม่ถึงหรอกนะ ถ้าถึงประตูวัดใกล้ๆวัดแล้วเนี่ยแกก็พักนะกินน้ํากินท่าคล้ายๆล้างหน้าล้างตาเดินทางมาไกลถูกดินดูดลงไปตัวนั้นไม่ถึงจริงนี่ทําไมไม่หอ่อมาหอ่อมาไม่ไหวแล้วหอ่อมาไม่ได้ทําอะไรเก่งๆได้เหนือมนุษย์ธรรมดาตอนนี้ทําไม่ได้ละวก็ขาดศีลนั่นนึงนะสมาธิจะเสื่อมแพราพกเรามีศีลไว้นนะคนที่มีศีลเนี่ยสมาธิเกิดง่าย ยกตัวอย่างนะถ้าใจเราไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครนะใจเราสงบง่ายถ้าใจเราผิดศีลนะคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำลายเขาใจไม่สงบนะใจไม่สงบสมาธิมันก็เสื่อมสนะิคิดจะรักเขาขโมยเขานะไปขโมยมาแล้วอะไรเนี้ยก็วุ่นวายใจกลัวเขาจับได้จิตใจมันวุ่นวายสมาธิมันก็เสื่อมสินะเป็นชู้เขานะกลัวเขาฆ่านะเคยเห็นในการ์ตูนหม ชอบไปแอบในตู้เสื้อผ้าหรือไปปีนหน้าต่างหนีอะไรเงี้ยนนะมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจริงหรอกนะฟุ้งซ่านคนโกหกเขาก็ต้องจําเยอะใช่ไหมคนโกหกเนี่ยนะคิดอะไรไม่ค่อยเป็นล้เพราะเอาเมมโมรีนะไปใช้ในการจําข้อมูลเก่าๆที่ไปโกหกคนไวนะ้ใจก็ฟุ้งซ่านนะโกหกคนพูดเท็จไม่สงบ กินเหล้าเมายาจิตใจไม่สงบงั้นศีลจําเป็นมากนะถ้ามีศีล น, นะสมาธิเกิดง่ายมีสมาธิเกิดง่ายปัญญาก็เกิดง่ายงั้นศีล น, นี่แหละเป็นปัใจจัยให้ไปนิพพานได้เพราะมันเกื้อกูลให้มีสมาธิมีสมาธิาธเกื้อกูลให้เกิดปัญญาเนี่วันนี้ต้องเทศปิดท้ายในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะพวกที่มาเรียนเข้าคอร์สวันนี้จะจบแล้ว เดี๋ยวจบไปแล้วก็รู้แต่จเจริญสติไม่ต้องรักษาศีลไปไม่รอดนะ <c oughs> ต้องมีให้ครบไม่งั้นอริยามรรคจะไม่เกิดถ้าไปดูในองค์มรรคนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะองค์มรรคสมตัวนี่นะเรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะเรื่องศีลทั้งนั้นเลยสัมมาวาจาเนี่ยศีลข้อ 4, สสัมมากัมมันตะศีลนะข้อหนึ่งสองสามต้องให้บอกไหมหนึ่งสองสามคืออะไรศีลข้อหนึ่งปานาติบานศะ ปานาติบาตทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตวนะ์ข้อ2ลักทรัพย์เขาชอโกงเขาข้อ3ประพฤติผิดในกรรมเนสะสัมมาวาจานข้อ4นะสัมมากรมันตะข้อ 1, 2, 3สสามัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราต้องเลี้ยงอย่างบริสุทธินะจนไม่เป็นไรความจนไม่น่ารังเกียจความโกงน่ารังเกียจ เราย่าปล่อยให้ข่านิยมเร็วๆเปนครอบงาเราทุกวันนี้เราถูกเสี้ยมสอนให้เร็วหนักขึ้นหนักขึ้นให้เห็นความเร็วเป็นเรื่องปกติอย่างนักการเมืองบางคนมาสอนพวกเรานะว่าโกงไม่เป็นไรคอร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้มีผลงานนะนี่สอนสิ่งที่เลวร้ายให้เรานะเราต้องไม่เชื่อฟังนะชาวพุทธเราต้องสะอาดนะในการดำารงชีวิตนะในการจะอยู่การจะทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดพอ ถ้ารู้สึกว่ายอมสกครกได้กิเลสมันล้างไม่ได้จริงดอกของหยาบๆยังล้างไม่ได้เลยนะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกให้สะอาดยังทําไม่ได้เลยจะทําใจให้สะอาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยงั้นเราต้องเลี้ยงชีวิตนะจนไม่เป็นไรนะอย่าไปอายกับความยากจนให้อายกับความชั่วร้ายนะแล้วก็อย่าไปยกย่องคนชั่วร้ายที่ร่ารวยด้วยนะ มันช่วยกันสร้างค่านิยมที่เร็วให้มากขึ้นมากขึ้นนะสังคมของเราทุกวันนี้ถึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดทุกหนทุกแห่งแล้วเพราะว่าเราช่วยกันสร้างค่านิยมที่เร็วๆนานาช น, น, น, น, น, น, น, นิดขึ้นมาเช่นใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อบรรลุผลสําเร็จนี่เป็นค่านิยมที่เลวร้ายมากเลยทุกวันนี้ดูสีบ้านเมืองจะเป็นยังไงมันเป็นอนาธิปไตยนะอะไรก็ได้ขอให้สําเร็จเถอะเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ไหวนะ ว่าเราต้องตั้งใจนะรักษาศีล น, นะรักษาศีลเลี้ยงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในองค์มครรคทั้งสิ้นเลยนะถัดไปเราฝึกเรื่องสมาธิในส่วนของเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมีองค์มครรคอยู่3ตัวสามใช่ไหม 3, สาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเป็นยังไงสัมมาสติเป็นยังไงสัมมาสมาธิเป็นยังไงสัมมาวายามะนะัคือความเพียรชอบ อะไรที่เรียกว่าความเพียรชอบเพียรละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะเพียรพัฒน า, ากุศลที่เกิดแล้วนะให้มากยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าสัมมาวายามาหน้าที่เรามีนะไม่ใช่บอกฉันจะรู้สึกตัวเฉยเฉรู้สึกตัวเฉยเฉแค่นั้นไม่พอนะต้องสํารวจตัวเองด้วยอกุศลอะไรยังไม่ละ อกุศลอะไรยังไม่เจริญนะสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีทิศทางชีวิตเราจะมีเป้าหมายไม่ใช่อยู่ล่องๆ ล, อ, ง ล, อ, งลอยๆไปวันหนึ่งนะหน้าที่เรานะสำรวจใจตัวเองไว้ที่หลวงพ่อสอนให้ดูจิตดูจิตนี่แหลจะมาทําสมาวายามาได้อย่างดีเลยนะถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราเนะี่ยอกุศลอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะละของมันเองนะวิธีที่จะละอกุศลนนะัก็คือมีสติรู้ทันมัน อกุศลใดเกิดขึ้นในใจเช่นราคะเกิดขึ้นรู้ทันราคะจะดับเองโทสะเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันโทสะจะดับเองเพราะฉนั้นที่บอกเพียนปิดกั้นอกุศล <นะ S 2> เพียนละอกุศลที่มีอยู่เพียนปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้มีขึ้นมาไม่ให้ครอบงําใจขึ้นมาเนี่ยทำด้วยการมีสติรู้ทันจิตนี่เองนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตนะอกุศลที่มีอยู่ก็จะดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้เลยในขณะที่มีสติและขณะขาดสติอกุศลเกิดได้อีก นะแล้วทํำยังไงกุศลจะเจริญทําไงกุศลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจะเจริญมีสติไว้สติเป็นต้นทางของกุศลนะถ้าขาดสติอย่างเดียวเนี่ยกุศลทั้งหลายจะไม่เกิดเลยองค์ทําฝ่ายกุศลจะไม่มีเลยนะต้องมีสติเอาไว้นะถ้ามีสติรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตมันมีกิเลสขึ้นมารู้ทันมันนะมันละอายแก่ใจนะมีหิริมีอโศกปะขึ้นมาละอายใจเกรงกลัวบาปนะ เกรงกลัวผลของบาปละอายใจที่จะทําบาปฮิริคือความะละอายใจที่จะทําชั่วโอตปะนะกลัวผลของการทําชั่วนะเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่มีสติรู้ทันจิตอยู่นะมันจะเกิดฮิริโอตปะขึ้นมาเองคนที่มีหิริโอตปะนะจะมีศีลขึ้นมาโดยง่ายเพราะถ้ามันละอายใจที่จะทําชั่วนะกลัวผลของบาปเสร็จแล้วมันจะทําผิดศีลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําชั่วเป็นการทําบาป งันะ้นถ้าเรามีสตินะเรียนทีมีฮิริออตปากเกิดขึ้นก็เกิดศีลขึ้นมามีศีลแล้วก็เกิดสมาธิได้ง่ายใจสงบง่ายมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาง่ายถ้าใจสงบนะก็สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ง่ายนะมีปัญญาแล้ววิมุตต์ก็เกิดได้ง่ายมีโอกาสเกิดวิมุตต์คือใจปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจเพงันะ้นมันจะเป็นทอดทอดไปนะถ้าเรามีสติให้มากไว้ กุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตัวอย่างของกุศลที่ว่ามาก็คือหีริอัตตปะใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เป็นส่วนของกุศลทั้งนั้นเลยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาให้เรามีสติรักษาจิตไวนะ้นั่นแหละคือการทําความเพียรเคยอ่านหนังสือนะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร น, นะนี่ท่านสอนถูกกับตาราเป๊ะเลยนะทั้งๆ ท, ที่ท่านภาวนาแต่ความจริงท่านอ่านอภิธรรมนะ หลวงปูมั่นนี่ท่านอ่านอภิธรรมด้วยต้องไปดูหนังสือที่ท่านอ่านมีอภิธรรมอยูนะ่งั้นท่านสอนเนี่ยถูกทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสอนเก่งงั้นเราจะมีสัมมาวายามาได้นะอาศัยมีสติรู้ทันจิตนองแล้วอะไรคือสัมมาสติมีสติรู้ทันจิตเป็นสัมมาสติทั้งหมดไหมไม่ใช่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าอาธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฐานสี งั้นหน้าที่ของเราจเจริญสติปัฏฐานนะไม่ใช่มีสติแล้วก็ลอยๆอยู่เฉยๆการจเจริญสติปัฏฐานนะั้นมี2ขั้นตอนเรียนทันไหมเนี่ยมันคล้ายๆอินเทนซีฟคอร์สนะวันสุดท้ายแล้วนะเรียนยากหน่อยนะสติปัฏฐานเนี่ยนะมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ทําไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่2ทําไปเพื่อให้เกิดปัญญานะมี2 ส, ส่วนนะไม่เหมือนกัน การทำให้เกิดสติเนี่ยใช้การตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้สภาวะธรรมใช้ตามรู้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นท่านถึงใช้คาว่ากายานุปัสนาปัสนาคือการเห็นการรู้การเห็นจริงๆแปลว่าการเห็นอนุปัฏตามตามเห็นเนืองเนืองซึ่งกายตามเห็นเนืองเนืองซึ่งเวทนาตามเห็นเนืองเนืองซึ่งจิตตามเห็นเนืองเืองซึ่งธรรมนี่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าตามเห็นเนืองเนืองนะ แต่ตามเห็นเนี่ยต้องตามด้วยใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไปได้ตอนฝึกสัมมาสมาธินะนิ ด, นดให้มีสมมาสตินะสมมาสติคอยมีสตนะิเบื้องต้นมีสติตามรู้กายหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเหลว้ายแหลกขวาคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เอง ร่างกายเคลื่อนไหวนะสติจะระลึกได้เองเนี่ยเรียกว่าเราฝึกได้สติละสติเกิดโดยที่ไม่ต้องเจตนาให้เกิดหรือบางคนตามรู้เวทนาคำว่าตามรู้ไม่ใช่ตามไปที่อื่นนะตามรู้หมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเวทนาเกิดขึ้นในกายก็รู้ว่าเวทนาเกิดในกายเวทนาเกิดในใจก็รู้ว่าเวทนาเกิดในใจหมายถึงเวทนาเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิด นะร่างกายเคลื่อนไหวไปก่อนเรารู้ว่าเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในการเดินจงกรมแบบนี้ถูกหรือผิดหลักเนี่ยเราค่อยๆเดินไปเดินอันนี้เป็นการปิดจ้องไว้ไม่ใช่การตามรู้นะถ้าตามรู้ไม่ทันจะระวังตัวเลยนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติอย่งหายใจมันหายใจอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่ไหมมีใครไม่หายใจมาบ้าง ทุกคนหายใจอยู่แล้วก็แค่รู้ว่ากําลังหายใจอยู่รู้ว่าร่างกายกําลังหายใจอยู่แค่นี้เองนะไม่ใช่เอาละต่อไปนี้จะรู้ลมหายใจแล้ว <c oughs> นี่ไม่ใช่แล้วนะนี่ไม่ใช่การตามรู้แล้วตามรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเรารู้ไม่ทันต่างหากก็รู้ให้ทันขึ้นมานะหายใจอยู่แล้วใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วใช่ไหมขณะ น, นี้ใครไม่ยืนเดินนั่งนอนมีไหมใครไม่อยู่ในอิริยาบทนี้ ไม่มีแม้ตอนนี้กำลังนั่งนี่มีเดินอยู่หนึ่งนะนั่งในกำลังนั่งมันมีอยู่แล้วนะเราก็แค่รู้เข้าไปเท่านั้นอันนี้อะไรเรียกว่าตามรู้นะเวทนามันก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นก็แค่ตามรู้เข้าไปคือรู้มันขึ้นมานะกุศละกุศลในจิตมีอยู่ไหมขนาดนี้นะมีมั้ยความสงบความฟุ้งซ่านนะความดีใจความเสียใจนะความสุขความสุขความทุกข์ในส่วนเวทนานะ โลบโกรดหลงไ ม, blockchain. ไม่โลบไม่โกรดไม่หลงขณะนี้มีใครโลบบ้างขณะนี้มีใครไม่โลบบ้างนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลย non response เห็นไหมมันม WOW. ีอยู่แล้วจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมีอยู่แล้วในขณะนี้นะตามรู้คืออะไรรู้เข้าไปเลยสิมันเป็นยังไงนะขณะนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคือคาว่าตามรู้นะตามรู้เนืองเนืองดูบ่อยรู้บ่อย มันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเห็นก็คอยดูมันนะคอยรู้มันนี่เรียกว่าตามรู้นะแต่การรู้เนี่ยจะต้องใจตั้งมัน่นถ้ารู้ตามจิตไหลไปนะจะปัญญาจะไม่เกิดเดี๋ยวจะไปเรียนเรื่องมรรคตัวสุดท้ายคือสมัครินะงั้นหน้าที่เรานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเวทนาเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกเวทนาในกายมีอยู่แล้วนะ เวทนาในจิตเกิดขึ้นคอยรู้สึกเวทนาในจิตก็มีอยู่แล้วแ ค, แค่คอยรู้สึกขึ้นม า, นากุศลกุศลเกิดขึ้นในจิตก็แค่คอยรู้มันมีอยู่แล้วนะนี่เรียกว่าตามรู้ทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นการตามรู้ไม่ใช่ส่งจิตตามไปที่อื่นนะรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าสภาวะมันมีอยู่แล้วก็รู้มันนี่เรียกว่าตามรู้นะตามรู้เนืองเนงนี่ทําให้เกิดสตินะพอรู้บ่อยๆจิตจะจําสภาวะได้แม่น นะอย่างเราหัดขยับตัวแล้วรู้สึกขยับตัวแล้วรู้สึกวันหนึ่งเราใจลอยพอใจลอยปุ๊บเราเกิดขยับขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกขึ้นเองสติตัวจริงเกิดละเกิดโดยไม่เจตนานะไม่เจอด้วยโลภะนะแล้วค่อยฝึกไปด้วยนะเดีบางคนดูเวทนาดูบ่อยๆต่อไปพอนั่งนั่งอยู่มดมากัดเจ็บปับ๊บสติเกิดเลยเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะ เกิดสติขึ personaje. ้นมาใจตั Magic. ้ง so มั่นรู้สึกขึ้นมาหรือเห็นก so ุศลอกุศลนะหัดดูไปเรื่อยกุศลอกุศลด้ได้เกิดขึ้นในใจค่อยหัดดูไปเรื่อยที่หัดดูจิตดูจิตนะหัดดูไปอย่างนั้นเละในที่สุดก็ได้สติขึ้นมารู้สึกขึ้นมากิเลสเกิดแวบรู้สึกเลยอย่าเพิแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับนะกิเลสเกิดยังยังรู้สึกเลยอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปจนสติมันอัตโนมัตินะถึงจะใช้ได้ ถ้าสติยังต้องจงใจให้คอยเกิดอยู่ยังอ่อนอยู่ต้องฝึกไปอีกหัดรู้สภาวะมากๆนะสติจะเกิดนี่นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทําให้มีสติเบื้องปลายจะมีปัญญานะแต่ก่อนจะเกิดปัญญาต้องมาเรียนสัมมาสมาธิก่อนสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสมาธินะด้วยฌานสี่ทำไมเอาแค่ฌาน4ี่แล้วอรูปฌานอีก4ี่หายไปไหนอรูปฌาน4ี่นั้นส่งเคราะห์เข้าในฌานที่4 นะเพราะมีองค์ธรรมเท่ากันมีอุเบกขากับเอกกัตตานะเป็นเป็นองค์ธรรมหลักคืออุเบกขากับเอกคตตางั้นสรุปก็คือฌาน8นั่นเองนะแต่ถ้าพูดอย่างปริยัติท่านอธิบายด้วยฌานสี่ทำไมต้องเป็นฌานถ้าไม่เข้าฌานไม่เป็นสมาสมาธิหรือท่านอธิบายฌานสี่สมาสมาธิด้วยฌานสี่เนี่ยเพราะท่านพูดถึงสมาสมาธิแท้แท สัมมาสมาธิแท้ๆเกิดขณะเดียวในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดขณะจิตเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่าองค์มรรคองค์มรรคแตัวนี่นะไม่ได้เกิดรายวันแต่องค์มรรคแท้ๆเนี่ยเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเพราะฉนั้นขณะที่พวกเรามีสติอยู่ทุกวันนี้บางคนก็บอกเป็นสัมมาสตินั่นเรียกเอาหน้าเท่านั้นเองจริงๆไม่เป็นนะที่บอกเรามีสัมมาสมาธิอยู่มีใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวนี้เรียกโดยอนุโลม จริงยังไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาธิแท้ๆเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคและขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นจะต้องเกิดร่วมกับองค์ฌานอันใดอันหนึ่งต้องเกิดกับฌานขั้นใดขั้นหนึ่งนะอย่างน้อยปฐมฌานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจนถึงฌานที่สี่นะบางคนลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกในฌานที่สี่นั้นรูปหายไปเหลือแต่นา ม, มาทำล้วนๆนะเข้าไปอารูปฌานนะงั้นท่านอธิบาย ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าหนึ่งไปอธิบายด้วยฉานแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยขั้นบุพเพพาคมมัคขั้นเบื้องต้นของมัคมัคเบื้องต้นยังไม่ใช่อริยมัคเนี่ยไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดอัปปนาสมาธิถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิทําอัปปนาสมาธิไม่ได้เราใช้คณิกาสมาธินี่แหละสมาธิเป็นขณะขณ น, นะคอยรู้ทัน จิตมัน yeah. มมฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันรู้บ่อยๆนะจะได้สมาธิเป็นขณะขณะเพราะในขณะที่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านจะไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่ไม่ฟุ้งซ่าขนขณะนั้นและมีสมาธินะะได้เป็นขณนะขณะไปงั้นบางทีหลวงพ่อบอกพวกเรานะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปนั่นคืออะไรคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองงั้นะจิตฟุ้งซ่านไปเรารู้ทันจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันวิจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันจะอยู่กันเนื้อกับตัว นั้นสมาสมาธิในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยกับในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยคนละอย่างกันนะในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าอัปปนาสมาธนะิแล้วก็ไปตัดกิเลสตัดสังโยชน์กันในองค์มรรคในในขณะที่ทรงฌานนะส่วนสมาสมาธิในขณะที่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทําอัปปนาสมาธิได้ไหมทําได้แต่ทําเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ทําเพื่อให้เกิดอริยมรรค ทำเพื่อพักผ่อนเท่านั้นอัปปนาสมาธินะแต่บางคนชํานาญในการดูจิตจริงๆเมื่อเข้าอัปปนาสมาธิแล้วยังดูจิตต่อได้อีกนะอันนี้พวกที่ชํานาญในการดูจิตด้วยชํานาญในฌานด้วยนะซึ่งหายากนะมีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ทําไม่ได้ส่วนใหญ่ทําไม่ไ ด, ไได้เราใช้สมาธิคณิกาสมาธิอยู่เป็นขณะขณะนีนะ้ใจลอยไปเรารู้ใจฟุ้งซ่านไปเรารู้ใจฟุ้งไปเรารู้รู้อย่างนี้เรื่อยนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดนี้คือความตั้งมั่น คือพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนือ้อลืมตัวจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัดจากนั้นเรามาเดินสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญาเพราะจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ลงในรูปธรรมนะจะเห็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้ลงในเวทนาจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราในขณะที่ใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิละ แล้วก็สต oh, ิเกิดระลึกร ok ู้นะเห็นเวทนาทางใจก็จะเห็นว่าเวทนาทางใจไม่ใช่เราสติระลึกรู้เห็นกุศลเห็นนากุศลจะเห็นว่ากุศลและอกุศลไม่ใช่เรานี่ตัวผู้รู้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับทรงอยู่แต่ว่าถ้าทําแค่คณิกาสมาธิเนี่ยตัวผู้รู้จะไม่อยู่นานประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเลยไม่รู้คิดเรื่องอะไรประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งตัวผู้รู้เองก็เกิดดับ จิตนี้เองเกิดดับไม่เที่ยงด้วยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าเๆกับขันอื่นๆนั่นเองนะเนี่ยการเดินปัญญาทําอย่างนี้นะรู้ลงไปในกายนะมีสติระลึกรู้กายที่กําลังปรากฏอยู่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิได้มาด้วยการทําฌานก็ได้นะได้มาด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นเองนะ พวกเราใจไหลไปเรารู <oz> it, kind of life, Nous, ้ไหลเรารู้เนี่ยใจมันจะมาอยู่กันเนื้อกับตัวพอใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วมันจะรู้สึกขึ้มันนะร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวใช้คําว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูกายเนี่ยจะดูลงปัจจุบันขณะนะดูลงปัจจุบันขนาดนี้เลยเนี่ยเนี่ลังเคลื่อนอยู่เนี่ยเรารู้ได้ไหมรู้ได้เพราะจิตมันเป็นคนไปรู้กายนะแต่ว่าการดูจิตเนี่ยจะไม่ดูลงปัจจุบันขณะ นะการดูจิตจะดูด้วยลักษณะที่เรียกว่าดูปัจจุบันสันตตนะิไม่เหมือนกันนะปัจจุบันขณะก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏต่อหน้า ต, ตานี่เองปัจจุบันสันตติคือสิ่งที่เนื่องอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันเป๊ะๆไม่ได้เพราะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยจิต ด, ดูลงปัจจุบันได้เพราะจิตมารู้กายนะแต่จิตจะไปรู้จิตเนี่ยไม่ไดนะ้จิตจะไปรู้จิตในขณะขณะนั้นนะในขณะที่เดิน ปฏิบัติปกติเงี้ยไม่ได้แต่ในขณะที่เกิดอริยามรรคได้นะคนละอันกันนะคนละเรื่องที่ท่านว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะั้นท่านพูดถึงอริยามรรคเลยนะเหนื่อยเทศมันยากมากเลยมันอนะินเทนซีฟคอสเนะเพราะฉะนั้นดูกายเนี่ยนะดูลงปัจจุบันดูจิตนะดูมันเนื่องกับปัจจุบันเช่นมันโกรธพะมันโกรธปุ๊บสติรู้ว่าโกรธ ในขณะที่จิตมีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะความรู้รู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะเป็นปัจจุบันนะความโลภเกิดขึ้นความโลภเป็นปัจจุบันนะสติรู้ว่าเมื่อกี้โลภโลภเป็นอดีตล้จิตที่มีสตินี่เป็นปัจจุบันไหมจิตที่มีสติเนี่ยมันเกิดตามหลังจิตที่มีกิเลสนะเพราะงั้นตรงที่มีกิเลสเนี่ยดูไม่ได้เพราะในขณะที่กิเลสเกิดเนี่ยสติไม่มีนะในขณะที่มีสติไม่มีนะนนมมมกิเลส งั้นการที่เราเห็นว่าจิตมีกิเลสเนี่ยเราเห็นตามหลังทั้งสิ้นนะงั้นการดูจิตนี่นะจะตามแต่ตามแบบติดๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เรียกว่าปัจจุบันสันตตินะเพราะว่าห่างไกลามากนั่นเป็นอดีตสันตติแล้วนะไม่ใช่ปัจจุบันแล้งั้นการดูจิตนะเราดูแบบติดๆเลยโกรธขึ้นมาก่อนรู้ว่าโกรธนี่เห็นหางความโกรธไหวๆหายแวบไปต่อหน้าต่อตานี่เห็นหางมันเท่านั้นไม่เห็นตัวมันหรอกนะ ดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยแต่จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้กายลงปัจจุบันสติตามรู้จิตที่ดับไปสดสดร้อนๆนะนี่ในขณะที่เดินมากเขาเดินกันอย่างนี้ในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันนะอย่าไปปนกันพอเราจเจริญมากๆนะอะไรจะได้อะไรจะได้ตัวของปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นแจ้งในอริยสัจรู้ว่าตัวตนไม่มีหรอกตัวตนมีแต่ทุกข์ขันมีแต่ตัวทุกข์นะขันไม่ใช่ตัวตนพอมีอย่างนี้นะใจมันก็ดำรีออกจากกามดำรีออกจากพยาบาทดำรีออกจากการเบียดเบียนถ้าตัวเราไม่มีจะมีกามทําไมจะพยาบาททาไมจะเบียดเบียนยังไงนะใจก็พ้นจากกิเลสพ้นจากทุกพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่วันนี้เทศเรื่องมรคให้ฟังนะมรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์8มรคไม่ได้มี8มรคนะถ้า8มรคเรียกมรคมรคนะ มากมีหนึ่งเท่านั้นนะแต่มีองค์ 8, แปดคล้ายๆแมงมุมมี1ตัวแต่มี8ขานะหักออกขาหนึ่งก็พิการแล้วใช้ไม่ได้อริยมรรคจะไม่เกิดนะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งงั้นส่วนแรกเลยที่ต้องรักษาคือศีลจำไวนะ้นะตั้งใจนะแล้วพยายามดำรงชีวิตอย่างสุจริตนะพยายามฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยคอยรู้ทันจิตไปนะกิเลสเกิดรู้ทันอย่าให้มันครอบงารู้ทันกิเลสได้บ่อยๆใจก็มีกุศลมากขึ้นมากขึ้น นะแล้วก็หาดู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะจนกระทั่งสติมันเกิดแล้วก็ฝึกจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปเรารู้สมาธิก็เกิดในที่สุดก็มีสมาธิมีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตมีสมาธิ เมื่อมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากพอปัญญาจะเกิดจะเห็นแจ้งว่ารูปประธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ล้วนๆพอปล่อยวางได้นะคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยสมบูรณ์แบบหมดเลยนะความสุขอันมหาศาลจะเกิดขึ้นวันนี้เท่านี้พอนะเทศส่งท้ายให้พวกเข้าคอร์สยากหน่อยก็ช่วยไม่ได้เรียนมา4วันแล้วนี่หมดเลยครับเชิญโยมไปทานข้าว